ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธารชนทั้งหลายาการบรรยายประูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอ น, นันทสามัคคีสูตรซึ่งเกิดขึ้นจากการกราบทูลถามของพระนุลเทรัก์ซึสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องความสามัคคีและการส่งเสริม ผู้ที่สามัคคีกันเรอถามสาเหตุของความสามัคคีในผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมให้เกิดสามัคคีว่ามันเป็นอย่างไงเรื่องสามัคคีนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วสังคมเราจะขาดความสามัคคีแล้วคจริงแม้ในร่างกายของเราเองก็ไม่ค่อยจะสามัคคีกัน ใจตั้งใจจะเดินเท้าไม่หย่อมเดินเดินไปแล้วเกิดสะดุดเกิดหรกล้มมาไรแต่อไหนเพราะตาไม่ได้ดูสแสดงว่าเมื่กีเป็นปนัญหาที่สาว อ, อโดยเฉพาะหมู่คนหรือกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันอย่างสถาบันสงฆ์หรือแม้แต่หน่วยงานอาื่นๆมันก็มีลักษณะอย่างนั้น เรายัพูธรรมะแน่นี้ส่งแสดงไว้ยะแต่วิธีการปฏิบัติทั้งหลายก็คือต้องการให้เกิดเป็นสังกสามาคีเราส่งแสดงโทษของการทำลายสมาคีจะเรียกว่กาสังกเภทคือเป็นโทษหนักที่สุดแต่บรรดาพวกกลุ่มมนันเตรากามห้าข้อเนี่ยเขาก็หนักที่สุด ที่ตัวเหตุปัจจัยเนี่ยมันมันก็นแล้วแต่จะแสดงในส่วนใดเฉเพาะในพระูตรนี้นะครับพระนวนกราบทูลถามว่าในความสามัคคีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพรเจ้าทรงสแสดงว่ามันเกิดจะเกิดจากความเห็นร่วมกันคือความเห็นที่ตรงกัน เฉพาะในกรณีนี้นะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมันมันจะเป็นปัจจัยของการละกันอยางที่เราเคยได้ยินเรื่องสารานิยธรรมไอ้ทรงแสดงเหตุของความสมัครใไว้อหกข้อนะแล้วก็ทรงสรุปในตอนท้ายว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างงี้ที่นี้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกัารละกัน ที่ทรงแสดงตัวเหตุเฉพาะในประโยคนั้นนะฮะว่าเกื้มีเมตตากันแล้วก็แสดงออกมาทางกายได้คือการกระทําอะไรก็ทําเป็นเมตตาหรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นไม่ไปหักาตามตัดรอนผลประโยชน์ของบุคคลอื่นจะพูดอะไรก็พูดกันในเมตตามุ่งให้ผู้ที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงได้รับประโยชน์ไม่ทําลายผลประโยชน์หรือไม่เกิดความสูญเสียขึ้นหรือไม่เกิดเจ็บซ้ําน้ําใจ แล้วก็ใส่ใจที่มีเมตตากับคนเราดันั้นทีนี้ในเรื่องผลประโยชน์จะต้องมีการเฉลี่ยมีการเกลี่ยผลประโยชน์มีการแบ่งปันกันหรือไม่ใช่ควายใดควายหนึ่งที่ต้องการจะเอามากเกินไปแล้วก็มีศีลเสมอกันก็มีความเห็นเสมอกันอันนี้ตรงๆข้อใหญ่มันก็อยู่ตรง ต้างล่างนะฮะจะมีศีเสมอกันกับมีความเห็นเสมอกันแต่หมายความคนที่เป็นเช่นนี้ได้มันก็ต้องมีพื้นฐานข้างบนที่ประการแล้วก็สงแสดงว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ว่าปิยกรลณาคือสร้างความรักขึ้นการุกนาสร้างความเคารพให้เกิดขึ้นสังขายะก็ให้เกิดการสงเคราะห์นอเคราะห์กั น, อ, อ, กนอวิวาดาญาคือจะไม่บีบบีกัน สามัญคียากืให้เกิดความสามัญคีแล้วก็เอกีภาวะญคือเกิดเป็นเอกภาพซึ่งตระหนกันว่าที่จริงเราเริ่มจากข้างล่างก็ได้เริมมาจากความรักกันความเคารพกันการสงเคราะห์กันการไม่ทะเลาะวิวาทกันความสมา ม, สมัญคีแล้วเอกภาพมันก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แหละคนมันก็ต้องมีเมตตากันแสดงออกทางกายทางวาจาเฉลี่ยผลประโยชน์กัน เราแสดงว่าก็เป็นปัจจัยของการต่ำกันประเด็สําคัญก็อยู่ที่เราจับเราจับหลักให้ได้สักหลักหนึ่งในที่นี้จะพอพระสุตี้สรงแสดงว่าคือไม่มีความเห็นแยงในกรณีทีใเนเรื่องกฎเกณฑ์หลักการสำคัญข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือมันก็เถียงกันมากกันะ อันี้เป็นธรรมเป็นบิดนายอันนี้ไม่ใช่ธรรมอันนี้ไม่นชีวิตนายอันนี้เป็นคําสอนผู้แต่เจ้าอันนี้ไม่ใช่คําสอนผู้แตเจ้านี่ผู้เจ้าทรงบัญญัติไว้นี่ไม่ได้บัญญัติไว้นี่พผู้เจ้าเคยปฏิบัตินี่ไม่เคยปฏิบัติเลยแต่ก็เตียงกันเยอะแยะไปหมดเลยคือสรุปว่าเวลามีความเห็นแย้งเนี่ยปัญหาว่าเห็นแย้งเหล่านั้นมันอยู่ในจุดใดเราก็เอาสิ่งเหล่านั้น่ะมาเป็นเกณฑ์ในการกําหนด ของความขัดแย้งว่าตรงนี้กฎเกณฑ์มันมเป็นยังไงเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์แต่เมื่อก่อนก็มีการประชุมกันประชุมกันที่นี้นะะเราต้องการมตินั่นกับมตินั่นก็นมติเลยมาก็ติงขึ้นมาบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมติหรอก เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเราดูพระพเจ้าว่าอย่างไงเราว่าอย่างนั้นเยเราไม่มีสิทธิลงมติหรอกคือมติมันมันมันมันมีในกรณีที่ความเห็นขัดแย้งแล้วก็หลากหลายอย่างไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะจับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้เราก็ใช้เป็นมติมติก็คือความเห็นร่วมกันว่าตัวเนี้ก็เอากันอย่างนี้แต่ตันี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าลงมติได้ยังไง เราก็ต้องอยู่ตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นพราะตรงตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างไงเราไม่ต้องไปเถียงกันแล้วก็ดูบัญญัติไว้อย่างไงก็เอาอย่างนั้นก็จบไม่ต้อง บ, ลงบัลลังมติไม่ต้องอภิปรายแล้วก็หลักการเหล่านี้จะเป็นหลักการที่ใครคัดค้านไม่ได้ใครจะบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ได้นะฮะก็ไม่เห็นด้วยผมก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเหมือนการการถกเถียงกันที่ที่เราถกเถียงกันเนี่ยคือเราเราไม่เอาเกณฑ์เราเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนั้นนั้นเข้ามาตัดสินแต่เราก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกของตัวแล้วก็ค่อนข้างจะแขวงเร้นนะฮะค่อนข้างจะแขวงเร้นผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากได้กับผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการรักษา ผลประโยชน์ที่พวกขอเราต้องการได้แล้วพวกพวกเรากำลังรักษาอยู่มันความขัดแย้งบางอย่างจึงมีเบื้องหลังแต่มันก็สาวลึกๆออกไปก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาใหญ่มันอยู่เบื้องหลังตรงน้นแล้วก็แสดงภาพตรงนี้มันก็ทํานองใกล้ยๆกับพระเนศวนจะตีเมืองคังนะฮะออกมาด่าอยู่นหน้าหน้า หน้าเมืองเราก็ขึ้นทางหลังเมืองขึ้นทางหลังเขาไปได้หน้าเขานี้ก็แสดงว่าเจตนาจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ก็อยู่เบื้องหลังของของเรื่องนั้นๆเพราะหลักสมมุติว่าเรามีความขัดแย้งในกรณีของความเห็นที่ความเข้าใจที่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางศาสนามันก็มองไปที่ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ แล้วก็ถือทรงนั้นเป็นเกณฑ์แต่ว่าธรรมะนั้นอย่างที่เคยบอกว่าพระธรรมเนี่ยที่จริงก็มีอยู่ก่อนนะมีอยู่ก่อนในพระเจ้ากับคนปกที่หลักมันไม่มีคําอ่ะมันมีคําเรียกมันมีชื่อเรียกแนนั้นก็ต้องเอาชื่อที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาบัญญัติเรียกว่ชื่อที่เขาใช้ในตอนนั้นมันผัด ภาษาจำนายความว่อย่างไงพี่เจ้าก็เอาคําเหล่านั้นมาบัญญัติเรียกธรรมะทีนี้ธรรมะเนี่ยมันเยอะนะธรรมะที่เยอะแต่ว่าภาษาเนี่ยมันมีน้อยทีวภาษาบางคําเนี่ยมันใช่เรียกธรรมะได้ทั้งหลายอย่างดังนั้นเราจรึงพบว่าธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยภาษาเนี่ยตรงกัน แต่เนื้อหาไม่เหมือนกันเนื้อหาก็จะต่างกันต่างกันในแง่ของความเข้มข้นว่าระดับนี้ก็ก็หมายแค่เนี้ยระดับนี้ก็หมายแค่เนี้เช่นสมมติว่าจาฆ่าที่เรียวเสียสละหรือบริจาคอะไรแต่บริจาคเขามักจะให้บริจาคฆ่านะครับแต่ถ้าเสียสละเนี่ยความหมายมันจะกว้างกว่าบริจาคฆ่า บริจามันจะหมายเป็นสองอย่างคือบริจาคจะหมายเป็นสองอย่างหมายถึงสละสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุตา่างๆเป็นการสงเคราะห์นกอกแก่บุคคลอื่นบรมตัวแก่แก่บุคลบบบ ค, ลบบคลอื่นหรือบูชาความดีบุคคลอื่นเป็นการสละในส่วนที่เป็นสมบัตินอกกายอีกหนึ่งก็หมายถึงการเสียสละ ประโยชน์สูง ข, ของตัวความสะดวกสบายของตัวเวลาของตัวหรืออะไรกิจการงานของตัวก็ไปทําประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งมันมีมากกว่ามีปริมาณมากกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์พระท่านประธานาธิบดีกนนานยกมุติจีนเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ค่อยรับแขกคือจะมุ่งลุยงานนะครคือไปไม่ยอมเสียเวลาในการรับแขก ก็จะมุ่งทำงานกันงานใหญ่มากอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ค ม, มนะฮะแต่ถ้าหากว่าคนระดับนี้ไปทำงานเล็กๆก็<อ>ๆเรียกว่าเอาประยายซีไปจับทิ้งรีดก็หมดเวลาหมดแรงก็แก่ลงไปทุกวันทำงานไม่คุ้มกับตุวานะของตัวเองแต่ใ น, นๆๆในการบริจาค มันก็มองแนว น, นี้คือถือว่าปรืโอชสุขของส่วนรวมเนี่ยมันมากมายแต่ว่าเราเราก็คนเดียวเป็นประชากชนในสังคมคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีที่เท่าที่จําเป็นจะต้องมีได้เท่าที่จําเป็นจะต้องได้เรียกว่าอยู่ดีมีสุขปรสอสมควรก็ใช้ได้แล้วต่อไปก็ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งจริงๆมือก็คิดยากนะฮะคิดมือคงคิดง่ายเนาะทำยาก แต่บริจาคมันจะอยู่ขนาดนี้แต่พอถึงจากฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นจาคฆ่ามันบางระดับก็คือบริจาคอย่างนั้นแหะไปจากวัตถุสิ่งของให้วัตถุสิ่งของสละวัตถุสิ่งของไปไเป็นลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ้อบอภิริแสดงความมีน้ำใจต่อ ก, การนั้นก็คือระดับหนึ่งไม่ใช่จากฆาเหมือนกันแต่นี้จาคฆ่าในที่บางแห่งมันไม่ใช่อย่างนั้น มันจะมีลักษณะของเจตจำนงที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นในความดีนะฮีก็แม้เรื่องความดีแล้วต่อมามันมีเขาจะไม่ทําหรือจะทําไม่ได้ด้วย ม, มีอุปสรรคขัดขวางเราจะต้องสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือถ้จัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปแล้วเเพื่อจะรักษาจาระเหล่านั้นให้ได้สารความเสียสละเหล่านั้นให้ได้ บางทีท่านเรียกรวมรวมสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเจตจำนงในการกระทาความดีของเราอางทีก็ปวดหัวปวดท้องเ ล, เลก็กๆน้อยๆสงใจจะรักษาศีลวันนี้ไม่ไม่ค่อยไหวรักษาศีลโบสดไม่ค่อยไหวรู้สึกขิวเหลือเกินควรควจะเป็นโรคกระเพาะไม่เป็นไร<ม>ก็ทิ้งศีลไปก่อนก็เป็นห่วงโรคกระเพาะอันนี้ก็แสดงว่าความรู้สึกเหล่านี้มันจะตัดรอนให้เรา ช่วยกิวคือคือค อ, อะไรแก้ต่างแกตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็โอกาสที่จะก้าวหน้าในการทําความดีมันก็ทําได้ยากแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นจารคะเนี่ยมันมีความหมายบางทีหมายถึงตัวนิพพานเลยลเราเห็นว่าสัพเนี่ต่างกันไม่ใช่เป็นจารสัพเนี่เหมือนกันแต่เนื้อหามีความเข้มข้นที่ต่างกันทีนี้ บางทีเนี่มันมันมันมันตรงกันข้ามไปเลยตรงกันตรงกันข้ามไปเลยแต่ว่าเราจะมีการสังเกตได้เช่นธรรมทิฏิเนี่ยถ้าท่นานก็อยู่เดียวๆเนี่ยส่วนมากจะผิดนะฮะจะหมายถึงความเห็นผิดแต่บางทีอทิฏฐิมันมีอยู่หลายคำท่านก็เ น, น้นเพื่อจะเห็นความแ ต, ตกต่างสัมมาทิฏฐินิชาทิฐิติคือจะมีคําต่อบไปข้างหน้าแล้วก็ต่อข้างหลังเพื่อจะบอกไปอีกทีหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยหมายความว่าอย่างไง เห็นว่าคําบางคํามันมันก็บ่งบอกอะไรว่ารุ่งขวนนั่นนะฮะเช่นเชนเช่นเชนสมมติว่าปติปฏิซึ่งเป็นรูปศาสตร์จะอยู่ข้างหน้าเช่นว่าปฏิรูปประเทศะประเทศที่เหมาะที่ควรจะอยู่ข้างหน้าแต่บางทีไปอยู่ข้างหลังซึ่งซึ่งซึ่งช้าไม่ค่อยดีเช่นว่าสัตธรรมปฏิรูป หมายความว่าธรรมะเหล่านี้ไม่จริงทําเป็นธรรมะปลอมธรรมะที่บิดเบือนขึ้นอันนี้ ก, ก็คือก็คือแนวที่จะให้เกิดความสังเกตว่าทราบมันเหมือนกันนะบางทีก็หมายความหมายที่ต่างกันบานทีก็โดดรอยหายไปเลยคนละเรื่องเลยนะเช่นสมมติเราเห็นมนาคะนาคะที่เราเรียกว่าหน้ากันคือหน้าในที่บางแห่งเนี่ย จ, จะหมายถึงงู ที่บางแห่งอาจจะหมายถึงช่างในที่บางแข่งเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้เตรียมจะบวชในที่บางแห่งอาจจะหมายถึงต้นไม้ในที่บางแข่งเนี่ยอาจจะหมายถึงพระอระอาหันต์อันนี้ก็เรียกว่าทราบเหมือนกันเลยแต่ความหมายกระโดดรอยหายไปหละคนละเรื่องกันเพราะงั้นเพราะนั้นไอ้การการเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาแล้วก็ส่วนที่เป็นพยัญชนะ ประเด็นสาคัญเราอย่าเสียงกันในตัวเนื้อหาแล้วกันขัดแย้งกัไใ้ตัวพยัญชนะมันก็ไม่ปแปลกอะไรก็คือว่าใจอย่างนี้ก็ได้ใช้อย่างนี้ก็ได้ไม่ปแปลกแตนี้บางทีเนื้อหาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคําจะต่างกันอั น, นี้เราก็ต้องต้องสังเกตเหมือนกันถ้าสมมุติว่าปัญญาอย่างเนี่ยปัญญาในคำบิโพุทสานามีประมาณสักสามสิบกว่าคำหมายหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงปัญญา เราจึงพบคำว่าวิมังสาโยนิโสมานัสิการมีมานสิการมีมติมีมุตมมติมียานมีปิญญามีอะไรตัวแยะความหมายจริงก็หมายเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการการเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจทั้งสองเรื่องเพื่อจะไม่ไปเถียงกันไม่ไปตกไปเถียงกันในในเรื่องที่เออตรงนี้พระเจ้าแสดงอย่างนี้ตรงนี้ทําไมเรียกอย่างนี้ ว่าปัญหาว่าเนื้อหามันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเนื้อหาเหมือนกันก็ถือว่าถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรการถกเถียงกันในพุทธศาสนานั้นก็ไม่ถึงกับปฏิเสธนะฮะว่ามีการวริพายษ์การถกเถียงแต่มันจะมีเกณฑ์เขาในเกณฑ์ของการวัดในเกณฑ์วินิชัยว่าการถกเถียงเหล่านั้นเน่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยว่าใครผิดจากหลักเกณฑ์เหล่านั้น บางทีเราอาจจะดูไปที่ผลแต่ดูส่วนเหตุมันก็ไม่ได้นะฮะเราจะดูไปที่ผลว่าผลนี่มันมันมันจะเป็นยังไงเพราะธรรมะในพุทธศาสนานนเรียกว่าโบหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากโบุชนะสุขายะ mm hmm. เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก mm hmm. เราก็ดูว่าสิ่งเหล่านั้นมอกูลและให้ความสุขหรือไม่มัน ก, ก็ก็ดูทั้งสองอย่างนะเกื้อกูลแล้วก็ให้ความสุข การจะพิสูจน์ว่าเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูก็ดูที่สุบหรือไม่สุบทีนี้บางทีก็ดูสุบมันก็ต้องดูต่อไปว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยคล้ายๆกับว่าเรารักษาโรคตรงนี้หายแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าโรคแทรกซ้อนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแรงกว่าโรคที่เราขจัดไปหรือว่ามันจะอ่อนกว่าเราทำยังไงจะไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนมันก็เหมือนเหมือนแนวความคิดที่ เป็นหลักการในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนะฮะเราจะเห็นว่าเอาข้อจริงนี่มันมันไม่ค่อยมีทิศทางทำการงานเป็นทาการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนะฮะคือปัญหาว่ามันมีพื้นฐานทางคุณธรรมเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องทำเป็นเครื่องแก้ปัญหาหรือไม่ การแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยเราจะปฏิเสธว่าเขาแก้ไม่เป็นไม่ได้เพราะเขาแก้ได้แต่ว่ามันไปแก้ในลักษณะปัดสวะพ้นหน้าบ้านหน้าบ้านตัวเองไม่มีสวะแต่สวะไปอยู่หน้าบ้านเพื่อนกร น, นี้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาไม่ดีไม่ใช่แก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาแล้วก็ไปสร้างปัญหาต่อไปพ้แนวของพระพุทธเจ้าเราสังเกตว่ามันจะไม่สร้างปัญหาต่อไปแต่จะ ตัดรากงาวของปัญหาไปในที่สุดหมายความหมดปัญหาไปในที่สุดแต่ทีนี้มันมันก็อยู่ที่มุมมองนะฮะก็ก็มุมมองใกล้ๆกับว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรามองอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใกล้ๆกับาการออกบวชแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องการการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวไม่มีใครแยกตัวออกไป ถ้าเราจะตัดสินด้วยมุมข้างล่างตรงนี้ในการออกไปข้างนั้นมันก็ผิดเพราะอะไรเพราะว่าการออกไปคนหนึ่งก็แสดงครอบครั ว, ว ก, ก็มีคนขาดไปคนหนึ่งแต่เราต้องคิดด้วยเกณฑ์อย่างเดียวกันนะนะต้องคิดด้วยเกณฑ์อย่างเดียวกันออไปเอาเกณฑ์ตรงหนึ่งขึ้นขึ้นมาคิดมันก็มีปัญหาได้ทั้งนั้นเนะ่ยนี่ก็คือก็คือหลักที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ว่าอย่าไปถกขียงในเรื่องหลัก มายความ่ามันมีเกณฑ์มาตรฐานเราตรงนี้พระเจ้าเคยปฏิบัติไปอย่างไงตรงนี้ทรงแสดงไว้อยังไงบัญญัติไว้อย่างไงสอนว่าอย่างไรนะแล้วก็ถือเหล่านั้นจริงเหล่านั้นเป็นหลักความขัดแย้งกันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นสามคัคคีคือไม่เถียงกันความเห็นไม่ไ ม, ไม่ผิดแตกแ ต, ตกต่างกันออกไปตรงนี้มันเริ่มด้วยความเห็นชอบนะฮะเริ่มด้วความเห็นชอบโดยมีกฎเกณฑ์เทียบเคียงเป็นมาตรฐานในกัน ศีลวิธิสายความถูกผิดทีนี้เมื่อเรามีความเห็นชอบเราก็จะเห็นชอบในศีลใช่ไหมมันก็มันจะขึ้นไปขึ้นไปก็ก็เห็นชอบในตัวคําสอนคือธรรมะปฏิบัติที่ส่งยกย่องสันเสริมการสงเคราะห์นเคราะห์กันกนั้วในสงเอเรื่องเมตตาไอ้อีกข้าข้อเนี้ยเขจะเกิดขึ้นมาเองแต่เพียงแต่ว่าเอปูพื้นฐานข้อล่างไปก่อนคือปรับที่ธรรมารทีติ ยันได้เคยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องกุศลกรรมบทสิบเนี่ยเป็นข้อที่สอนมากที่สุดในประเทศไทยนะถ้าเทศชาวบ้านเนี่ยนะเทศกับชาวบ้านอย่างระดับธราน า, นาตะบินธิกาเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าปเสนีกุศลเนี่ะจะเทศแนี้นะเพราะในในกุศลกรรมบทสิบเนี่ ย, นะ ม, ยมันยุติปัญหาหมดเลยแม้แต่ความคิดที่เป็นฆ่าศึกกับตัวเองก็ไม่มีแล้ว ปัญหาใหญ่เนี่ยเราเจะพบ ว, ว่าถ้าเรามองมาจากข้างบนก็คือการเคารพสิทธิในชีวิตของเขาไม่ลวงเกินในชีวิตเป็นรูปของเมตตานะฮะถ้าลงมาจากข้างบนเนี่ยเป็นรูปของเมตตาแต่ถ้าขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเป็นรูปของปัญญาเมตตานั้นจะขาจัดความโกรธแต่เราจะให้เราสังเกตว่าถ้าเมตตาเนี่ยถ้าเราใจเราเมตตาไม่ขาจัดความโกรธแต่าาก็จัดความโลภด้วย เนันคนที่เราเมตตาเราจึงสงเคราะห์เขได้เราจึงให้เขาได้กรจัดความโกรธเห็นเราให้อภัยก็ได้ไม่ถือสาความก็ได้อะไรนี่ยแสดงก็คือลงมาในสายเขาเมตตาพอเราพอเราเกิดเมตตา ต, ตัวเขาเราก็ไม่ล่วงเกินทรัพย์ของเขาไม่ลวงเกินคู่ครองของเขาจจะพูดมันก็เป็นคำํำสั่งคำจริงก็ว่าเรื่อยมันก็เดินมาแสดงว่มามาจากสายเขาเมตตา ทีนี้ถ้าขึ้นไปข้างล่างที่เรียกว่าเ อ, อความเห็นชอบนะฮะแล้วความเกิดเป็นความเห็นชอบขึ้นมาก็เป็นตัวคุมตรงนี้แล้วก็เกิดเห็นชอบในคุณของเมตตาเห็นชอบในโทษของเมตตาเก็เห็นทั้งสองทานแล้วก็ศีลมันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมะสองข้อ น, นี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าพูดระดับโลกพูดระดับโลกเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกออกข้อเดียวนะฮะข้อเดียวเลย ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกบุคคลจะรุ่งเรืองไนมะ่ด้วยปัญญาอะไรก็ว่าเล่นนะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอะไรต่างๆระดับโลกในชั้นธรรมะขั้นเนี่ยมันมันจะเริ่มที่เมตตาก็ได้แต่จริงๆเมตตาจะเกิดเนีมันจิตใจก็ต้องมีปัญญานะเ อ, อนคุณของเมตตา็นโทษของการขาดเมตตา นั่นคือธรรมะในแนวปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะคลุมพื้นที่หมดแต่ว่าแสดงเราแสดงหมดไม่ได้นะแสดงหมดไม่ได้เราก็พูดเฉพาะจุดคือจุดตรงใดตรงหนึ่งก่อนก็ทํานองปลูกพืชที่เค ย, ยกตัวอย่างให้เห็นเสมอว่าตอนปลูกพืชเนี่ยปุ๊บเดียวออกลูกเนี่ยเราปลูกไม่ได้แต่ว่าเราก็บอให้เขาปลูกพืชได้ ต่อไปก็อาศัยเวลาอาศัยเงื่อนไขต่งตางๆมันก็ดอกผลค่อยว่ากันทีหลังนะฮะแต่ออกแน่ก็ต้องแค่าให้ปลูกพืชขึ้นมาแล้วกันรรมาจะมีลักษณะอย่างนั้นตรงนี้ทรงสอนให้ลักษณะเราะเชือ้อความเห็นของตนโดยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่มีความเห็นมากลึกซึ้งอะไรมากพอหรอกเพียงแต่ว่าจะว่ายังไงล่ะตรงแสดงว่ายังไงตรงนี้เป็นธรรมเป็นบิ น, นัย หรือไม่จะทำไม่ใช่วินัยก็ดูว่าพระเจ้าทรงแสดงไปยังไงเพราะงี้ไอ้การตัดสินเนี่ยตัดสินเป็นธรรมเป็นวินัยไม่จะทำไม่ใช่วินัยบัญญัติไว้ไม่บัญญัติไว้เกิดประพฤติไม่ประพฤติมันก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นฐานหมายความเป็นยังไงหมายความว่าในความเห็นชอบเนี่ยมันมีศรัทธาอยู่ด้วยมีศรัทธาเป็นหลักเป็นหุกเป็นรวปขุมอยู่ด้วยเกิดใช้เพียงปัญญาเราอย่างเดียวก็คงไม่ได้อนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราเรายังไม่เห็น เรยังไม่เห็นผลเมื่อคืนกน็ไปกลนพรไดจไปดกนานนะนะมันนึกว่าเออเขาพูดกันได้อย่างไงนะที่พระพุทธเจ้าไม่แสดงในรลกสวรรค์มันเปิดมันเจออยู่เยอะเลยจริงๆเลยนะพูดเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้เรื่องชาติหน้าเรื่องบังเกิดในภพมรลคอะไรอะไรพูดไปเยอะพรอเราเปิดพระไดไปดกเพงไม่กี่หน้าตัณเองนะหยิบขึ้นมาเล่มไหนไเกิดไม่กี่หน้าก็เจอแล้วนะทีนี้ในตอนนี้พระอานุ์ก็ถามต่อไป ว่คนที่สนับสนุนคนซึ่งสามคัคคีกันเมื่อความหมู่คณะที่สามคัคคีกันมันจะมีพฤติกรรมยังไงก่อนนะฮะหมายความพอสามคัคคีกันแล้วนี่อะไรมันก็เคลื่อนไหวไปได้ดีหมดแล้วสาบใดที่ยังไม่มีความแตกแยกกันจะมีความเป็นันหนึ่งันเดียวกันจะมีการประฏีประ น, นอมกันถ้าเป็นพระก็จะร่วมในกิจกรรมต่างๆถึงกันแต่งกันลงปฏิมุ่งกันทำทางการร่วมกันมันก็ปลายเป็นแถวนะครอบครัวมันก็จะมีแน่นั้น ทีนี้ปัญหาว่าคนที่สนับสนุนคนหมู่คณะที่เขาสามัคคีกันอาจจะเป็นยังไงพระยาเขาบอกเป็นเหตุแห่งความสุขอย่างหนึ่งอันนี้ต้องต้องดูอีกนะฮะว่าตามปกติแล้วคนเราในใจมันไม่ไมค่อยปกติอันมันมันมั น, มนความดีหรือสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ค่อยมีการทนโนทนองไม่ไม่ค่อยมีการถนโนท น, นอมสิ่งที่ดีที่สวยงาม จะน้ำต้นไม้ที่ปลูกมาแล้วแกเพิ่งออกดอกครัง้งออกดอกออกลูกครั้งแรกอะนะะคือแทนที่จะปล่อยมันดูมันจะริญเติบโตเป็นยังไงดูความสวยงามไปเด็ดไปทึงนะฮะเดินผ่านสวนดอกไม้ดอกไม้ก็สวยๆนะไปเด็ดครับคือไม่รู้อะไรไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าเด็ดเด็ดไปนิดเดียวมันเดิยมันนิดเดียวมันก็เยอะหมดแล้วแต่ถ้ามันอยู่มันอยู่ห ย, ย, ย, ยีตั้งได้ได้ทั้งหลายวันนั่นก็คือความคิดลึกๆของมนุษย์ที่ ไม่ค่อยรักษาสิ่งดีงามด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเอาไว้ก็เรียกว่ามันมัน ม, มันมีพื้นกับความเบียดเบียนนะพื้นกัหิงสาวิตกอยู่ภายในใจเยอะเราจึงเห็นว่าตามถ้าตามเขาะอะไรตไรเนี่ยฮะไปเขียนชื่อไว้ตัวเองอย่ากโกโก้นักเขชื่อตัวเองของก็อยู่ดีๆไปเขียนชื่อไปเคาะดูไป อ, อะไรเนี่ยคือมันมันมันมั น, ม, นมันจะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลก จะถือว่าอยากรู้อยากเห็นมันก็ไม่เชิงไงนะไม่เชิงเพราะบางเรื่องเนะี่ยมันก็แสดงถึงการไม่รู้จักธนุถนอมไม่รู้จักรักษาสิ่งดีงามทั้งหลายถึงมันสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดแนวเบียดเบียนที่วิงสาอย่างหนึง่งแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนในส่วนใหญ่มันจะริษยาเห็นคนก็ดีเราจะริษยาเพราะนั่นคนก็สามารถคีบกันเป็นคนดีนะี่ย แล้วคนพวกนี้จะริษยาจะรู้สึกริษยาไปทํำยังไงทึ่จะให้มันเกิดความแตกแยกได้เห็นผัวเมียเขาเ อ, อสมานสามัคคีกันเป็นนั้นดีรู้สึกบ่นไส้อย่างเงี้ยแล้วในที่สุดบอกเออวันก่อนเห็นแฟนเธอไปกับผู้หญิงคนงนึงข้าวหายไปนาะหลายชั่วโมงนะข้าไปอยู่เนะแล้วออกมาเอ า, าไปผัวเมียก็ต้องมาซักกันทะเลาะกัน นี่มันก็หาเรื่อง่ยซึ่งข่าวอย่างนี้เราจะเห็นข่าวหน้าสี่ขอสังคมจะมีลักษณะอย่างนีน้สร้างความเคลือนแปรงสงสัยกระสาวยาวแย่คนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาไม่สนุกด้วยแต่เราสนุกนะฮะคือเราพูดอย่างนั้นเรารู้สึกสนุกนั่นก็คือแนวของริษยาทนเห็นความดีงามไม่ได้ตัวอย่างที่เราเห็นน่ะมายัางแปลกว่า วันก่อนเมื่อวันซื่นเนี่ยนะไปพูดกับพระที่ที่นครสวรรค์พระคำถามเรื่องเรื่องพมา่าลายแล้วก็อธิบายด้านเชื่อมโยงกันท่านฟังว่าตรงเนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเห็นในแง่ประวัติศาสตร์ว่าพมาลัยเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการอาศัยบุคลิกภาพของพระโมคคัลลานะก็ะสร้างขึ้นอ่แต่จริงแล้วรูปแบบในการทํางานน่ยของคือของพระโมคคัลลานะแต่ว่าต้องการได้ขลังหน่อยขึ้นมาก็เป็นทารลังกานะฮะ แต่ที่ยิงลังกาไม่รู้จักประมาณไรมันก็สร้างขึ้นในจังหวัดภาคเหนือนั่นเองเรียกว่าแตลา น, านานะฮะทีนี้สร้างเนี่ยเราต้องมองต่อมันเป็ น, เ ป, นเป็นระบบเป็นวิธีเผยแผ่ธรรมะที่เช่วดกันหมายความว่าเรื่องของพระมาเลยเนี่ยมันจะไปสนับสนุนเรื่องของปฏิอาณคนก็อยากพบศาสนาปฏิอาณา แล้วจากพระศีอานเนี่ยมันเป็นผลนะฮะการเกิดในศานาวระศรีอานเป็นผลแต่คนจะไปเกิดพบศาสนาวระศรีอานได้มันก็ต้องฟังมหาชาติใช่ไหมไอ้ทีนี้ตัวมหาชาติเองอนะ่ะมันคือปุกลิกภาพของคนดีในสังคมของผัวที่ดีของเมียที่ดีของพ่อที่ดีของแม่ที่ดีของลูกที่ดีนะของเพื่อนที่ดีอะไรแต่ไหนเนี่ยนะมันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ส่วนไม่ดีก็จะ ทนีส่วนไม่ดีนะั้นท่านจะเห็นว่าที่มันค้ากับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของใครเรื่องของนางมิตรดากระชูชกเห็นไหมสองคนผัวเมียเมียมันก็นเด็กผัวก็แก่แต่ว่าเมียก็ทำหน้าที่เมียดีก็ทำให้คนข้างบ้านนางพรมามณีทั้งหลายริษยาจนทะเลาะ ก, กันที่ทาน้ำอะไรแต่ล้วก็เตลิดเปิดเบิงไปจนไปขอชาลีกนาเนี่นี่คือตัวอย่างให้เห็นว่า คนบางคนเนี่ยแทนที่จะเห็นความดีจะปรับตัวเองให้ดีเนี่ยมันไม่ยอมปรับมันไม่ยอมปรับมันจะลดคนอื่นลงมาเราจึงเห็นว่าคนบางทีไปตัดต้นไม้เช่ไว่าไปตัดตัดเนาะป่าตัดลองกองตัอะไรต่ออะไรเนี่ยแทนที่มันจะสอยเอามันไม่สอยมันโค่นเลยมันโค่นลงมาเลยพอโค่นเสร็จแล้วมันก็กินได้แค่นั้นเองฮะแต่ถ้ารักษาไว้เนี่ยลูกหลานเด็อดดื้อได้ ได้ขอมนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นบางทีในเราต้องการต้องการไม่เท่าไรนะฮะแต่เราทําลายมากไปเกินคือต้องการให้สิ่งอื่นมันลดลงมาแต่ที่ตัวเองจะปรับตัวเองขึ้นไปนั่นก็คือก็คือแนวแนวอย่างหนึ่งของคนที่ที่ที่เรียกว่าไม่ปกตินะเพราะในการที่เราไปเห็นคนสมคธิเราเกิดส่งเสริมสนับสนุนอนุโมทนาชื่นชบอย่างดีมัมกจะริษยา เห็นไหมตอนบุญตวงนี้เราเห็นในชัดเลยว่าจิตเราไม่ริษยาแต่เรามีความชื่นชมมีความยินดีมีความประทับใจในความสมานสมัคคีของคนเหล่านั้นแล้วเราก็พยายามที่จะดึงเอาคุณลักษณะเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดําเนินชีวิตของเรามันก็ขยายขยายคณะบุคลคลกลุ่มคนที่มีความเป็นหนึ่งนเดียวกันเห็นครอบครัวหนึ่งเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเดียวกันบ้านเป็นสวรรค์ปริมาณเราก็ชื่นชมกเขานะเราไม่ร้อนด้วยแรงริษยาแล้วก็มีปัญญามองเหตุมองผล ว่าเขาทํายังไงก็จริงอยู่ร่วมกันไม่การเป็นปกติสุขไม่เคยทะเลาะกันเลยอะไรแต่ไรเนี่ยรเราก็น่าจะเอาตามเขามันก็ได้แนวนะฮะก็ได้แนวเราหาประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งต่านี้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าคนจิตใจมันไม่ปกติมันแทนที่จะได้ประโยชน์มันเกิดทาลายประโยชน์ก็คล้ายๆกันเลยฮะ คล้ายๆกับคนสมัยพุทธกาลที่ว่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามันน่าจะรีบเอานะรีบตักตัวงเอารีบเข้าฟังธรรมรีบปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้เลยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ใกล้เกือกินด่างนะด่างก็ไม่ได้กินด้วยเททิท้งไปเลยเพราะคนที่เป็นปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้ามันก็เห็นได้ว่าเป็นคนไม่ยินดีในความดีไม่ยินดีในคนดี ไม่สนับสนุนคนดีพระแะรงนธิ์แต่ยานั้นคนที่สนับสนุนคนที่สามัคคีกันจึงถือว่าเป็นเหตุให้เกิดสุขมันก็สุขใจแล้วอย่างน้อยที่สุดเราก็สุขใจแล้วดังนั้นจึงทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าความพร้อมเพรียงของคนที่อยู่เป็นหมู่เนี่ยให้เกิดความสุขคนที่สนับสนุนผู้ที่อยู่เป็นหมู่ซึ่งพร้อมเพรียงกันนะฮนะจะจะเป็นวัดหรือจะเป็นพระหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะก็จะให้เกิด คนที่คนทั้งสองประเภทนี้นะคือหมายความว่าอยู่กันอย่างมีความสมัครแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนคนที่มีความสมัคีใกันเนี่ยตั้งมั่นในธรรมธรรมะโพกือตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นในธรรมก็คืออะไรก็คือสมัครใจเราเห็นว่าทรมาเนี่ยโอกาสตั้งมั่นเนี่ยมันยากแต่ถ้าอะไรตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะ เป็นที่อิงอาศัยอะไรแต่ได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยประเด็นสำคัญว่าต้องตั้งมั่นแต่กันอคล้ายๆเรายืนเราแข็งแรงเราตั้งมั่นได้เราก็ยกเราหยิบปราช่วของได้ต้นไม้ที่มันตั้งมั่นโดยตัวเองได้มันเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกของใบออกผลมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อาคารที่ตั้งมั่นแล้วมันเป็นที่อิงอาศัยใช้ประโยชน์ดังั้นตั้งมั่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญถ้ายังตั้งไม่มั่นเนี่ยทำอะไรทาอะไรยังยังไม่ได้ ที่นี้อาการการปฏิบัติธรรมะกว่าจะตั้งมั่นเนี่ยมันยากปลูกต้นไม้ ย, ยังง่ายกว่าเนี่ยปลูกธรรมะเนี่ยมันยากเพราะว่าสามัคคีเนี่ยยกตัวอย่างสามัคคีสามัคคีในจุดเล็กๆภ า, ายในครอบครัวนะฮะอยู่กันตั้งสองสามคนแม้แต่สองคนก็นเถอะมันจะต้องมีการอดกลั้นอดทนการให้อภัยการประนีประนอม นะแล้วก็เพิ่มปริมาณของความรักความหวังดีสูงขึ้นเพราะถ้าความรู้สึกเหล่านี้มากเนี่ยเราต้องอดทนน้อยนะเราอะ่าอดทนน้อยไม่ต้องอดทนมากก็ได้ไม่ต้องอภไฟก็ได้พอความรู้สึกพอไม่ดี ท, ที่ที่เกิดขึ้นมันจะถูกเอ่อความรักความเมตตาความหวังดีนี่สลายออกไปและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องอรัก ทนุถนอมสิ่งเดล่านั้นเอาไว้ด้วยชีวิตทนุถนอมความธรรมะเอาไว้ด้วยชีวิตจากที่ท่านแสดงไว้ในรูปของการเสียสละที่นํามาเผยแพร่กันเนี่นะครับให้บุคคลสละทรัพย์เพื่อรักษาวิญญะณสละวิญญาณเพื่อรักษาชีวิตนะแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมะที่จริงตรงนี้ท่านเน้นที่สัจจะนะคร สัจจะจนตกลงว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็คือสัจจะแล้วเป็นสัจจะวาจาหรือสัจจะปฏิ ญ, ญาณแล้วเราก็ต้องรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อมาคำหนึงตัจุดนี้ให้บุคคลพร้อมจะาทาราบสาระวิยาวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็เรียกว่าตั้งมั่นแล้วถ้าอย่างเงี้ยก็ตั้งมัน่นเหตการณ์พิสูจน์ตั้งมัน่นไม่ตั้งมั่นที่จริงค่อนข้างยากเลยกันนะ เพราะอะไรเพราะว่าในภาวะปกติเนี่ยเราแยกอะไรไม่ออกแยกอะไรไม่กระจัดมันดูในภาวะวิกฤตที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอุปกเทศสุรมิชันติในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องการจิตที่กล้าหาญจิตที่มีความแข็มแข็งถา้าจิตอ่อนไหวถูกโยครอนได้ง่ายมันก็ไปได้ยากแต่ทีนี้ชีวิตเราในบางทีมันไม่เจอภาวะเราเ ไมไ้เจอภาวะวิกฤตเหล่านั้นเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราจะสามารถขีกันจริงหรือเปล่าเพราะในสมัยพุทธกาลจึงมีการพิสูจน์ทดสอบใช่ไหมเราจะเห็นว่าจะมีการพิสูจน์ทดสอบก็ค่าๆกระวัดผลการเรียนการสอนการทํางานนะฮะมีการพิสูจน์ทดสอบกันแล้วก็ดูว่าทําทได้จริงหรือเปล่าเป็นได้จริงหรือเปล่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าก็เป็การพิสูจน์ทดสอบ พระเจ้าเองก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบโดยการโดยพยาบาลนะฮะโดยตนหาราคารตีโรงพยาบา ล, ละอะไรตายนี่ก็เรียกว่าก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วก็คนเหล่าเนี้ยจะเมื่อตั้งมั่นในธรรมแล้วย่อมเข้าถึงธรรมได้มีความประนีตขึ้นที่เรียวกว่าเกษมจากโยคะคูอพูดถึงนิพพานไปเลยน ะ, ะคําว่าโยคะนั้นแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด เครื่องผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไว้โดยทั่วไปก็ทรงแสดงไว้เป็นสีข้อนะฮะคือการมายคุคเครื่องผูกมัดใจก็คือกามคือวัตถุการคือเราจะจะเห็นว่าระดับระดับสามัญคีดธรรมดานะฮะระดับสามัญคิธรรมดามันจะระดับพระอระหันต์พวกวัตถุการเนี่ยมั น, ม, นมันคนที่สามัญคีกานก็จะประณีประนอมกันได้เนะช่นว่ามีความขัดแยง้งมีการยื้อแยง้ง สิ่งเหล่านั้นวัตถุสิ่งของเหล่านั้นคาวัตถุกลางวัตถุทั้งหลายนะสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมในจมูกมดึงด้วลิ้นถูก ต, ต้องในกายก็เรียกวัตถุกลามทั้งหมดมันจะมีการประสานประโยชน์ในการประนีประนอมในการเฉลี่ยผลประโยชน์กันเคยได้ฟังนักธุรกิจคนหนึ่งที่คนซึ่งมาอยู่กับเขาไม่เคยลาออกเลยเขาเองก็ประสบความเจริญก้าวหน้า ปรากฏว่าอะไรมันมั น, ม, นมันมีลักษณะที่น้ำใจปกแผ่น้ใจที่เมตตาเนี่ยมาคือคนมาอยู่กับเขาก็ถือคนของเขาเมันกญาติพี่น้องเหมือนครอบครัวนอกจากเงินเดือนแล้วยังให้สวัสดิการในด้านต่างๆนะไม่มีบ้านก็ผอดบ้านให้ดาวบ้านให้ก่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ก็ทำให้มันมีความผูกพันไว้หลายๆเรื่องแทนที่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ได้เปลี่ยนผลประโยชน์ก็อย่างเดียวแต่ แต่จริงมันไอตัวเมตตาความรักความเมตตาความเอื้ออาทรเนี่ยมันกลายเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผูกมัดจิตใจคนทั้งสองเอาไว้หรือว่าคนในหลายคนเอาไว้นะฮะยังยังมองแนวปัจจุบันมายังยังนึกว่าอันตรายแล้วเนี่ยเราคงแก้กันได้ยาก เกวเนี่ยเราจะเห็นว่าพ ว, พวกพวกพนักงานนะบริษัทอะไรแต่เวลาแกโกรธบริษัทนี่แกเล่นแรงมากเกลยคืนด่าว่าเที่มันมันมันมันเหมือนกับไม่เคยมีอะไรกันเลยไม่เคยมีอุป ร, ราคคุณอะไรกันเลยคงค ง, คงจะเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันยากแล้วถ้าเกิดเรียนแบบกันบ่อยๆเนี่ยอวิกฤตการแรงงานเมืองไทยต้องเกิดแน่การขายแรงงานต่างประเทศก็ต้องเพิ่มขึ้นเทคโนโ ล, โลยีสมัยใหม่พวกขุดยนพวกคอมพิวเตอร์จะเข้ามาอิทธิพลแพร่ ึงก็หมายความว่าคนคนกลุ่มหนึ่งจะถูกทิ้งไงนะฮะจะถูกทิ้งวิ่งหนีกันไปปัญหานี้ค่อนข้างจะแก้ยากเพราะว่าเรายังไม่สามารถปรับใจให้อยู่กันด้วยความเมตตาและ ค, ความดีแล้วก็แบบโอปอลีคือเพื่อเพื่อแพร่นะฮะคือไม่ใช่ให้ใความใดความหนึ่งเขาก็ทำอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องกริยาปฏิกิยาที่ทุกคน เพนแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยมันถ้าเฉลี่ยผลประโยชน์กันไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบหรือรัดเอาเปรยียบกันเกินไปตรงเนี้ยความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เกิดขึ้นได้และเราจะเห็นว่าการแตกสามาคัคคีในโลกที่เป็นศึกสงครามเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สามสี่เรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็แตกแยกกันเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องอำนาจต้องการจะได้อำนาจอย่างในคำแหออย่เนี่ย ต่างคนต่างอยากเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสี่คนตอนนี้เป็นสองคนโดยสนุกกันใหญ่คือคือคือไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะเอาอย่างไงมันมันมันมันถ้าเราหยุดอยากไดสักหน่อยนะ <S <S <S <S คืออยากเหมือนกันแต่อยากให้ประเทศชาติี่ยมีความเจริญเราเป็นอะไรก็ได้ในตรงเนี้ของประเทศชาติแต่ขอให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขมีความเจริญเราก็พร้อมสนับสนุนเราเป็นเพื่อนสนับสนุนเพื่อนเป็นเราก็สนับสนุนมันก็เป็นกันได้นะฮะมันก็ไปได้ ค, คือมองที่ชาติเพราะในการแตกสามคัคคีมันมันมันมันมองที่ตัวเรานะไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ร่วมกันเพราะปัญหาเรื่องวัตถุกรรมพูดภาษาง่ายๆว่าปัญหาผลประโยชน์นะัปัญหาผลประโยชน์มันก็ก็จะไม่ขัดแย้งกันพราโภคา ค, คือความเป็นนะตำแหน่งต่างๆเคยถามเถามโยมที่มาที่นี่บอกทาไมบริษัททางร้านธนาคารเนี่ยผู้จัดจาการเยอะจังเลย เขาบอกคนก็อยากเป็นกันก็ตั้งกันอุตลุดไปหมดเลยจริงๆมันก็ดีนะฮะก็เรียกว่ายังไงไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ก็ได้แบ่งเบาภารกิจกันทํางานแต่เขาเองก็รู้สึกเขาใหญ่ใหญ่อันนี้มันก็ตอบสนองภาวะเพราะว่าตัณหานะตอบสนองภาวะตัณหามันก็มายความมีความเป็นมันก็แสตันหาเนี่คือเป็นตัวขัดแย้งทีนี้ตัณหามันก็เกิดเฉลี่ยคือให้รู้สึกว่าได้ ซื้อกกับแต่ละคนได้ไม่ใช่มรรคผลนิพพานะนะฮะหมายความเ่าเราพูดระดับธรรมดาเนี่ยเพราะว่าใจเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะมีความสามัคคีกันพอถึงผลประโยชน์เราก็แบ่งกันตําแหน่งมันก็เฉลี่ยกเกลี่ยกันก็แบ่งกันพอมาถึงจุดนี้ความคิดความเห็นเนี่ยนะครับความคิดควาเห็นมันก็ไปพุ่งไปแทนที่จะพุ่งไปที่ตักมันก็พุ่งไปที่หลักการ นะพุ่งก็ไปหาหลักการในเรื่องเหล่านั้นอ้ที่โธฆะโอฆะคือทิฏฐิเนี่ยไอ้ก็จะปรับเข้าหาจุดที่เป็นความถูกต้องตามข้มควรแก่กรณีนั้นๆ น, น, นะนะจะแบบมีกฎเกณฑ์ไม่ระเบียบแปรในแตกต่างแล้วก็อวิโชฆะโอฆะเกิดวิชานะฮะก็ได้คันทะวิชาการทะการทะก็ได้โอฆะก็ได้โยฆะก็ได้แต่เนื่องเยอะแต่ว่าใน ในที่นี้ท่านเรียกโยคะเกษรรมจะทำเป็นที่เกษมจากครับจากโยคะหมายความว่าไอความไม่รู้ต่างๆความไร้เหตุผลต่างๆเมื่อมีจุดในการประสานความคิดความเห็นกานมันก็ลดลงไปแต่จริงๆแล้วมองไปถึงจุดสุดยอดเดี๋ยวสุดยอดเนี่ยนะฮะหมายความว่าทําลายทําลายพวกนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราเอาเฉพาะตรงนี้ไปก่อนก็เราก็เห็นภาพนะว่า การลดละเนี่ยการที่จะเอาตัวเองเป็นฐานเนี่ยมันหายไปมันเอาหลักการอุดมการโดยวิธีการต่างๆเนีเป็นฐานเอาประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองเป็นฐานเอาการอยู่เย็นเป็นสุขความเป็นหนึ่งอันเดียวภายในครอบครัวภายในสกุลภายในอะไรนะฮะห้า้านบริษัทก็ว่าไปมันเป็นขั้นเป็นการขยายออกไปที่มันมีปัญหามากก็คือว่าใจคนเนี่ยมันไม่ค่อยขยายไม่ก็เป็นยังไงนะ คุณลองสังเกต ด, ดูอะเราเห็นแก่ตัวได้แต่เราอยู่คนเดียวไม่แปลกอะไรนะฮะอยู่ในป่าคนเดียวคุณเห็นแก่ตัวไปเลยก็ไม่ว่าอะไรเลยฮะเอาไปตีหกคาเมนตีลังกาในป่าในถ้าว่าไปเลยจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใครแต่พอคุณเริ่มสองคนแล้วคุณเองแก่ตัวไม่ได้ใจคุณต้องแผ่ไปถึงคนที่สองฮะแล้วแผ่ไปถึงคนที่สามแผ่ไปถึงคนที่สี่ไอ้ น, นี่ก็คือความความมีน้ําใจที่เอื้อต่อคนอื่น แล้วพอไอ้ตาแหน่งพอความเป็นมันก็เหมือนกันนะนะหมายความว่าเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่แค่นั้นนะนะมันก็ใจมันก็แผลแค่นั้นกันได้แต่ถ้าพอลูกมันเกิดมีลูกขึ้นมาต้องแฝ่ไปถึงหลานแล้วนะต้องแฝงไปถึงหลานแล้วแต่แม่งั้นหลานไม่น่าถือญาญายานะมันใจมันก็ต้องแผงไปก็โดยโดยธรรมชาติใจมันต้องแผงไปอย่างนั้นทีนี้ในในเรื่องกรอบในเรื่องขอบเขตนะขอบเขตก็เหมือนกัน ยกตัวอย่างวัดก็ได้นะสมมุติว่าพระพระกอเนี่ยเป็นสมผานเป็นเจ้าคณะใจท่านก็เป็นเจ้าคณะรับผิดชอบในคณะนั้นได้มนะันไม่แปลกอะไรเลยเอาสนะเพราะแต่ละรูปรับผิดชอบในคณะแต่ละคณะมันก็อยู่ดีมีสุขเพรมีว น, น้าแต่พอตัวเองเป็นสมผานเนี่ยใจเป็นเจ้าคณะไม่ได้ใจต้องเป็นสมผานด้วยฮนะใจต้องเป็นสมผานด้วยที่นี้ต่อมาฐานะตำแหน่งรับผิดชอบสูงขึ้นก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภอใจก็ต้องแผ่ไปทั้งอำเภอ นะไม่ใช่มาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วเป็ น, จนเจ้าคณะอำเภอแล้วจนถึงเป็นสังฆ ร, ราชพ็จะสกลมหาสังฆเป็นนายกคือเป็นนายกของสงฆ์เป็นผู้นําสงฆ์ทั้งปวงนะแล้วก็เป็นสังฆบิดาหมายความพระเนนทุรูกคือรูปเลยต้องคิดได้อย่างนั้นนะ่น่ะคิดได้อย่างนั้นจึงจะเป็นได้แล้วจะมีเดชานุภาพจะมีบัณฑวัสนาบาตรมีเราจะเป็นปูชนียบุคคลนะ อยสมเด็จประมาณสำนเจา้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระทั่วประเทศทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยต้องมีพระรูปไว้แต่การบูชาต้นเดรัมนาเนี่ยต้องมีพระรูปไว้ล้วเวลาเปิดเรียนเปิดอะไรต้องเอาพระรูปไปตั้งไหว้ครูนะฮะเป็นไหว้ครูเลยพระรูปนี่ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนเพราะอะไรเพราะว่าพระไทยแผ่พระไทยตั้งแผ่ไปตามงานของท่านเรื่อยพระไทยตั้งแผ่ไป แต่มานานแล้วนะเราก็ไม่เห็นท่านอ่ะแต่ว่าพระทุกรูปนี่พูดถึงด้วยความเคารพนับถือเรารุ่นหลังเราก็แค่อ่านหนังสือท่านนั่นนะเราเราเร า, เราเกิดไม่ทันท่านอ่ะแต่นี้ก็คือก็คือค อ, อะไรคือน้ำพระไทยที่มันปกแพ่มันมีร่องรอยมันมีผลงานแล้วก็สร้างความอบอุ่นสร้างความศรัทธาเรื่อสายเกิดขึ้นคือเชื่อมโยงเรากับท่านได้นะไปเชื่อมโยงเรากับท่านได้ว่า ถ้าไม่มีผลงานเหล่านี้เราก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ผลงานเหล่านี้มาจากใครมันก็เชื่อมไปหากนแตจริงเราพบจะจอผลงานแต่ผลงานนั่นเองจะเชื่อมไปหากนแล้วก็ในแง่ของความสมบูรณ์โยคะนะฮ ะ, กะเกษมจากโยคะที่สมบูรณ์จริงๆท่านเห็นว่าถ้าเราพอสามาคถีกันเนี่ยพลังของเมตตามันเพิ่มขึ้นเพรา ะ, ะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะเอื้อต่อผู้น้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้น้อยก็จะเอื้อต่อผู้ใหญ่ ก็ตั้งฝ่ายตัางก็อือกันก็อิงอาศัยซึ่กันไละกันเพราะฉะนั้นท่านจริงเรียกว่าเป็นสามัคคีรถเป็นรถของความสามัคคีเนี่ยมันมีแต่จิตใจที่เบิกบานมีแต่จิตใจที่เยือกเจ็นมองกันด้วยมัตรีจิตมองกันด้วยความเมตตามองไปด้วยความวังดีนะพระพุทธเจ้าทรงอุปมาตัวอย่างง่ายๆว่าเข้ากันได้เหมือนน้ากับ น, น, น, น้ํำนมอันนี้อันนี้ก็ตัวอย่างสาหรับพระพุทธเจ้านี่ง่ายนะเพราะนมนี่เยอะในเมืองเมืองเมืองแขกในน้ำก็เยอะ น้ำก็เยอมันก็มันก็ดูง่ายนะแล้วก็ถ้าข้าวกันไม่ได้จะยกตัวอย่างน้ํากับนมเหมือนจะยกตัวอย่างมันข้าวกันไม่ได้มันใส่ภาชนะเดียวกันข้าวก็ไม่ได้มืนแยกกันอยู่ตลอดไม่มีทางที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ว่าน้ํากับนมมันมันจะอิงกันใส่ด้วยกันอะไรกันคือผสมประสานข้าวกันได้น้ำก็น้ํานมก็นมน้ํากับนมก็ข้าวกันได้ที่จริงคนละพวกนะะคนละพวกกันมันข้าวกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธาตุเดียวกัน เป็นธาตุน้ําด้วยกันนะมันก็ฆ่ากันได้นั่นก็คือปรับไปถึงพื้นฐานที่ของความเป็นธาตุธาตุนะฮะธาตุคือเชื้อของมันนะปรับธาตุก็มาเอพระก็ถามในนครตะวั น, นก่อนว่าเวา้ยเรคนตายในระดับก่อนก็นึกถึงบาหลีเราก็ต่อไปตามบาลีนะฮะตอไปตามภาษาบาหลีว่าเออ ลมหายใจนะฮอายุออุ่นดับดับพอพอเรามานั่งมานั่งคิดคิดกลับมาเออไอ น, นี้ที่จริงมันธาตุนะหมายความว่า อ, อลมในดับก่อนนะลมดับเพราะไฟดับแล้วก็น้ําดับแล้วก็ดิ่ดแตกใช่ไหมเราก็เราจะเห็นเออเอ อ, อนนี่มันก็น้ําเนี่ยมันมันมันมั น, มนที่จริงลมหายใจก็คือ ก, ก, ก, ก็คือธาตุลม นะวิญญาณดับนะวิญญาณดับก็ลมหายใจมันก็ดับวิญญาณอายุอายุอุ่นก็ตั้งก็เรียกอย่างนั้นดูอันนี้มันมันก็ธาตุนี่เองอะ่ะธาตุธาตุาก็แสดงว่าพอวิญญาณดับลมลมหายใจก็ดับในแง่ของธาตุก็ลมดับลมดับแล้วไฟดับนะไฟดับแล้วก็น้ํานำะน้ําไหลก็ดินก็แตกร่างกายก็เปื่อยก็ไหลไปเรื่อย ก็เป็นความวิปริตแปรปรวนของธาตุก็มาคิดในภาษาง่ายๆรู้สึกมันก็ดูง่ายนะฮะดูง่ายข้งางนอกก็ดูง่ายดีแต่ภา ษ, าษาทางวิจ า, ารณ์นะโบวินดานดับวินยานดับวินยานดับอายุไออุ่นวินดานะฮะวิน ญ, ญาณอายุไออุ่นก็ะชายเข้ามาอย่างงั้นที่จริงไออุ่นก็คือก็คือธาตุทางไฟ เประการต่อไปก็บอกว่าคนที่สนับสนุนคนซึ่งสามัคคีกันนะครับอันนี้รับสั่งมาเลยจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ดารงอยู่ตลอดหนึ่งกับอันนี้เห็นในชัดเลยสวรรค์ไม่ใช่โลกมนุษย์นะอายุกับแึงมันอยู่ไม่ได้นะโลกมนุษย์เราเนี่ยก็หมายความว่าอย่างไงด้วยผลของความไม่ริษยาเห็นไหมฮะตัวสามัคคีก็ดีตัวไอ ส่งเสริมสนับสนุนคนที่สามัคคีกันก็ดีใจมันมันเจือจางนะกิเลสที่มีความเจือจางออกไปจากใจการไม่สามัคคีกันมันก็ไม่แน่มันเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะครอบความเป็นคนขี้โกรธเป็นคนผูกโกรธเป็นคนลิษยาเป็นคนสนีทเป็นคนมายาเป็นคนแข็งดีเป็นคนอวดดีนะเป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งอะไรนะแล้วบางคนถือร่มก็หลายเรื่องมันเยอะ เหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาสกันมีทั้งหลายเรื่องแต่เราจะว่าว่าเหตุสามัคคีตรงเนี้มันมันมั น, มนทั้งหมดที่ทรงพูดเนี่ยที่ยิ่งไม่เป็นกิเลสไม่เป็กิเลสเนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมาจากอวิชชานะไม่ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากอวิชชาตรงนี้พระเจ้าใช้ปัญญากับศรัทธานะเราจะเห็นว่าใช้ปัญญากับศรัทธาเนี่เป็นหลักในกรณีถือว่า พระจ้าทงแสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินัยไม่จะทำไม่ชะวินัยเราก็ต้องเรียนก่อนนะฮะเรียนก่อน แ, แสดงว่าปัญญาเราก็ใช้ปัญญาอย่างน้อยก็ปัญญาระดับเรียนระดับฟังระดับคิดแล้วก็เราก็ต้องเชื่อว่าตรงเนี้ที่แสดงไว้ถูกต้องไม่จะไปตำแบงอีกเที่ยวหนึ่งนะฮไม่ตำแบงอีกเที่ยวหนึ่งที่เวลานี้ที่มันเกิดเป็ น, ป, นปัญหาเพราะเราอ้างว่าใจวิดกปั๊บเกิดมาเปิดหนังสือให้ดูเลยเพรางนี้พระพุชธเจาสแสดง แล้วพระใจดวกว่าตัวนี้อัตถกถ า, ออาก็อธิบายเหมือนกันนะดีกาเนี่ก็ว่าเหมือนกันไะมันเหมือนกันหมดเลยตัวนี้มันเหมือนกันหมดเลอ้ยพระใจวิโดกมาทั้งนานแล้วนะคัดล อ, อกผิดผิ ด, ผดถูกถูกนะตรงนี้ผิดอ่อมอย่างนั้นก็จบกันแล้วเอาเกณฑ์ของใครละเอาเกณฑ์ของแกแกไม่ได้เป็นโรกุตยาวใช่ไหมทีนี้มันรวนแล้วเราก็ยอมไม่ได้แล้วนะฮะเรายอมไม่ได้ไม่ใช่เราจะต้องไปทะเลาะอะไรกับเขาแต่ว่าเรายอมไม่ได้ เร า, าไม่ได้ในเมื่อมันหลักฐานปรากฏชัดเจนพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วเมื่อแกอไปปฏิเสธตัวหลักอย่างนั้นนะตัวหลักคือปตัตติปิโดกเวลานี้ขนาดมีนะฮะว่าปฏิเสธว่าปตาัตติปิโดก์ในเมืองไทยผิดหมดนะที่ถูกอยู่ที่ที่อะไรที่ลอนดอนนะฮะที่ลอนดอนฝรัไงนะนะรังมาเพิ่งรู้าศาสนาพูดไม่กี่ปีนี้เองเพิ่งมาศึกษาในตอนหลังเยอรมันนะครับมาศึกษาก่อน การศึษายู่ที่ประเทศอินเดียแต่ตอนนั้นอินเดียมันมีแต่หมาญาญเยอะไปหมดแล้วไอ้ น, นี่คือคือคือเราไม่มองไม่มองในประวัติศาสตร์ไม่มองในประวัติศาสตร์ปรัจจุบ น, นที่สุดมันก็ไปทําลายอะไรหลักการอย่างอย่างบรรณกรอะไรมีมีคนเขาก็าไปอ่านเอกสีมัดภัวัดกีตานะฮะสีมัดพักวัดขีต า, นะ า, ตานั้นอยู่ในตอนหนึ่งของหมาภาราตยุทธที่ ท่านปิชณะายวาสสายายให้อรชุนฟังเป็นการแสดงถึงสุญญตาเนี่ยฮะสุญญตาแต่ว่าท่านแสดงในแนวฆ่าไม่บาปฆ่าไม่บาปก็หมายความว่าออชีวิตเนี่ยไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าจริงๆดาบมันก็เป็นวัตถุตัวคนมันก็เป็นวัตถุเพราะงั้นการแทงคนเนี่ยก็คือวัตถุมันแทรกกันไปในวัตถุคนก็เป็นวัตถุ ดาวก็เป็นวัตถุไอ้คนที่ถูกข้ามันเป็นวัตถุเพราะงั้นเป็นเรื่องวัตถุกับวัตถุผมก็กกไม่บาปอันนี้ก็อย่างที่ว่าเจโซมสัสสนองคุลิมาเนี่ยนะทีนี้บางตอนนี่คมมากเลยตอนนี้คมมากเลยสีมัทกอกีตาเนี่ยแล้วก็คนที่เขียนนะฮะตึองเป็นชาวพุทธเขาบอกว่ามันไปตรงกับประพุทธศาสนาะไม่รู้ใครเรียนใครนะรพุทธคุณมาประโยคนี้แสดงว่ายังไงแสดงว่าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ว่าคมภีเนี่ยมันเกิดหลังพุทธกาลตั้งห้าหกร้อยปี ในขณะคัมภีร์พุทธนาพิมพ์เผยแรกไอ้ไม่ใช่เราเขียนเผยแรกกันไปมากมาย ก, ก่ายกองแล้วนะยุคปุรณนะมันเป็นยุคหลังยุคหลังพุทธกาลจริงๆมันก็นำไปการก่อนพุทธกาลนะก่อนไปพันพันปีอว่านิทานปรมปราแล้วก็สร้างขึ้นเป็นเป็นแนวพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าคนที่ลอกนะไม่ใช่เราลอกแต่เขาลอกเราเพราะเขามาตรงกับเราไม่ใช่เราไปตรงกับเขา ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราเขียนไว้ก่อนเราเขียนไว้ก่อนนะฮะเมือนกับลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะนะคุณจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเราต่อต่อมาคนอื่นมาทำเรียนแบบเราไม่รู้ใครเรียนใครเอาใครเรียนใครก็ใครจดก่อนเราใครจดก่อนเราก็ดูอย่างเนี้เรก็ดูกันง่ายๆก็คิดง่ายๆอันนี้ก็คือก็คื อ, คอหลักเราจะเห็นว่าแนวที่จะเสริมสร้างสามัคคีมันมีผลที่เห็นชัดๆในปัจจุบัน แล้วก็ผลยังสืบต่อไปจนถึงอนาคตนะฮะไปต่อเป็นอนาคตก็คือบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นกลับนะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความสุขความสงบเนี่ยนั้นเป็นผลที่ทุกชีวิตนี่ต้องการร่วมกันตรงนี้ก็ประรบเรื่องถามคีแตนนเด้งนะฮะที่จริงก็ประรบเรื่องถาม จะนำไปสู่ความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้าแต่ว่าการจะสร้างสามัคคีกับรักษาสามัคคีเป็นเรื่องยากเพราะฉนไอ้สวรรค์กับหนึ่งในที่จริงเป็นการรับรองผลสุดยอดของเขานะผลสุดยอดระดับโลกียะไม่ใช่ว่าเออวันนี้เราสรามัคคีการบังเกิดสวรรค์เด่งกับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่าช่วงที่เราจะรักษาเนะี่ยมันจะยากมาก ช่วงรักษาสามัคคีมันดำรงอยู่ได้แล้วเราก็กี่ปีเราก็ไม่รู้นะเป็นช่วงที่รักษาไว้หรือแม้แต่การชื่นชมยินดีต่อคนที่สามัคคีกันก็สำหรับกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มเนี่ยเราก็ชื่นชมยินดีง่ายถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นพวกเราใช่ไหมถ้าคนกลุ่มนั้นเ็พวกเราทีนี้ เ, เกณฑ์มาตรฐานที่ท่านว่าเนี่ยมันมันมั น, มนต้องเกระเสพ จ, จากโยคะหมายความว่ากิเลสตอนนี้มันก็ลดได้ในกรณีที่คนซึ่งเป็นศัตรูต่อเราเขาเกิดสามัคคีกันน่ เรายินดีหรือเปล่าเห็นไหมมันจะเจอตรงนี้มันเจอปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้มันก็มีปัญหาในจุดนี้ถ้ามีปัญหาในจุดนี้อายุสวรรค์กับหนึ่งมันก็ต้องมีปัญหาด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุไม่สมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์คุณจะเอาผลสมบูรณ์ไม่ได้เป็นการแสดงประสานสอดคล้องกันระหว่างเหตุกับผลว่าต้องกเกษมจากโยคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะไม่ทําอะไรไปตามนาจของกาบ นะอํานาจของความอยากได้อยากเป็นนะฮะพูดง่ายว่าไม่ทําอะไรไปตามอำนาจของความอยากได้ความอยากเป็นความถือรั้นความเหบี่ยงตัวตลอดถึงความงงำายได้เหตุผลต่างๆ แ, แล้วก็ช่วงรักษาเนี่จะนานนะแล้วก็มีเงื่อนไขกระแท้กระทันเยอะเหมือนก็ออกเรือก็ แ, ล, กแล่นเรือนะคนจะเห็นว่ามือนกันเลยออกเรือมันไม่ยากนะแต่ตอนแล่นเรือไปถึงจุดหมายปลายทางเยมันยากนะแบบจะพาเรือไปได้จริงหรือเปล่า คุณอาจจะเจอเจอนสลัดคุณอาจจะเจอคลื่นคุณอาจจะเจอปลาฉลามคุณอาจจะเจออะไรอะไรอีกเยอะแยะเลยอาจจะเจอพายุไต้ฝุ่นแรงไม่แรงก็ว่ากันไปเรื่อย anh, แต่ว่ากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าถึงจุดหมายปลายทางนะท่านจะรับรองผลไปรับรองผลตอนปลายทางนะรับรองผลตอนปลายทางไม่ใช่าคุณออกเรือไปหน่อยไปถึงก็เจอคลื่ น, น ก, ก็จมก็จมก็ยังไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่รับรอง <c oughs> อันนี้ก็คือเงื่อนไขในการปฏิบัติ ยังเคยในการแบว่าเขาต้องประสานตรวจ้องกันอย่างนี้ก็ทํานองเดียวกันยากัอะไรที่หมอให้มานะว่าต้องรับยารับประทานยาอย่างนี้ทันนั้นทันนั้นวันทันนั้นทันนั้นแล้วจํานวนทันนั้นจะหายนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขที่มันมีแต่ว่ายาก็ไม่แน่บางทีก็ไม่หายก็ได้นะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนเพราะว่าเราเห็นผลที่ใจเราอันนี้ก็เป็นเรื่อง ความสามัคคี่เริ่มต้นจากความเห็นชอบนะฮะเริ่มจากความเห็นชอบโดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงออยกตัวอย่างที่จริงก็เป็นเป็นตัวอย่างนะคือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าวันนี้ก็ขอยุดติดไว้ใยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแล่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านถือ